วิธีฝึกสมาธิเพื่อให้ได้ผลสมบูรณ์คนที่จะฝึกสมาธิเพื่อให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์ในการติดต่อกับโอปปาติกะนั้นวิธีฝึกเท่าที่ได้กล่าวมาแล้วใช้ได้ภายในขอบเขตจำกัดมากมีทางผิดพลาดและก่อให้เกิดการเข้าใจผิดง่ายมากแต่ที่ต้องอธิบายเช่นนั้นก่อนเพื่อเพื่อจะให้ท่านรู้ข้อเท็จจริงเบื้องตอน้น ของหลักวิชาเกี่ยวกับการติดต่อกับโอปปาติกะส่วนวิธีการที่จะฝึกให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เหมือนกับที่ข้าพเจ้าได้ฝึกให้แก่ลูกศิษย์ของข้าพเจ้าบางคนนั้นเป็นยเรื่องที่จะต้องเรียนกันมากและใช้เวลาฝึกก็มากด้วยหลักวิชาที่จะต้องเรียนก็คือ 1. จะต้องศึกษาให้เข้าใจว่าวิญญาณคืออะไรวิญญาณได้แสดงบทบาทออกมาอย่างไรบ้าง 2. จะต้องศึกษาให้เข้าใจว่าวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตคนเราแต่ละคนไม่ใช่เริ่มต้นจากพ่อแม่ทุกคนได้มีอดีตมาแล้วก่อนที่จะเกิดในท้องแม่ 3. เรื่องกฎของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วข้อนี้จะต้องศึกษากันอย่างลึกซึ้งมาก 4. เรื่องอนัตตา เรื่องที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือร่างกายกับวิญญาณและจะต้องศึกษาให้เข้าใจอีกว่าร่างกายกับวิญญาณทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าอันนั้นไม่มีอันนี้ก็ไม่มีหรือเพราะมีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้อะไรที่เรียกว่าตัวเราหรือของของเรานั้นล้วนแต่เกิดจากเหตุทั้งสิน้นข้อนี้สาคัญที่สุด เพราะว่าด้วยการเข้าใจหลักวิชาอันนี้ยังลึกซึ้งเท่านั้นจึงจะทำให้ใจว่างในเวลาเข้าสมาธิจะสามารถปัดอารมณ์หรือปัดความคิดที่ไม่ต้องการออกไปได้ง่ายและโดยธรรมดาผู้ที่จะศึกษาหัวข้อนี้ให้เข้าใจจริงๆก็จะต้องศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องไตรลักษณ์และเรื่องอริยสัจให้เข้าใจเป็นอย่างดีหัวข้อในทางหลักวิชาที่กล่าวมานี้ บางคนที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงถึงวิธีการสอนของข้าพเจ้าก็มักจะเข้าใจผิดว่าเรื่องเหล่านี้เอาไปสอนเด็กไม่ได้เพราะแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังเข้าใจยากอยู่แล้วจะเอาไปสอนเด็กให้เข้าใจได้อย่างไรคนที่เข้าใจอย่างนี้เป็นเพราะไม่เคยเห็นข้าพเจ้าสอนเด็กหรือถ้าเห็นก็เพียงครั้งหรือสองครั้งไม่ได้ติดตามผลงานของข้าพเจ้าให้ตลอดฉะนั้น จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่คนเหล่านี้จะต้องเข้าใจผิดแต่ตามความเป็นจริงแล้ววิชาเหล่านี้ข้าพเจ้าสามารถที่จะย่อส่วนทำให้เป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับเด็กได้เสมอการสอนเกี่ยวกับเรื่องวิชาเหล่านี้มีเทคนิคมากผู้สอนจะต้องมีศิลปะในการสอนอย่างแท้จริงจึงจะได้ผลแต่สำหรับข้าพเจ้าเคยทำงานเกี่ยวกับเรื่องการสอนเด็ก ตามหัวข้อดังที่กล่าวนั้นมามากเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากข อ, อยังเดียวแต่เพียงว่าเด็กที่ข้าพเจ้าจะสอนนั้นอย่าให้เล็กจนเกินไปหรือทึบจนเกินไปและขอให้ข้าพเจ้ารู้พื้นความรู้อุปนิสัยและสิ่งแวดล้อมเพียงแค่นี้ข้าพเจ้าก็สามารถที่จะสอนให้เด็กเข้าใจได้แต่ทั้งนี้ท่านก็ต้องเข้าใจไว้ด้วยว่า มีเด็กเป็นจำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่ข้าพเจ้าสอนไม่ได้เพราะไม่ว่าจะสอนอย่างไรแกก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจเด็กอย่างนี้มีอยู่เรื่องดอกบัวสีเหลาเป็นหลักวิชาครูที่ใช้ได้ตลอดการอันหนึง่งนอกจากจะให้เรียนตามหัวข้อดังที่กล่าวมานี้แล้วในเวลาฝึกสมาธิก็จะต้องใช้ระบบการจูง ไม่ปล่อยให้ผู้ฝึกนั่งภาวนาอยู่ตามลำพังการจูงก็คือการแนะเทคนิคในขณะกำลังปฏิบัติงานเป็นการแนะเทคนิคเกี่ยวกับการพิจารณาการทำใจให้ถูกในอันที่จะให้จิตเป็นสมาธิและพร้อมกันนั้นก็เป็นการทบทวนหลักธรรมตามที่ได้เรียนมาเพื่อให้ได้ความรู้ที่ได้เรียนมานั้นได้รับการย่อย เพื่อที่จะให้ซึมซาบเข้าสู่จิตใจส่วนลึกเทคนิคของการจูงมีอยู่อย่างไรบ้างข้าพเจ้าไม่อาจจะนำมาเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ได้เพราะมีรายละเอียดมากและอีกอย่างการจูงสมาธินั้นมีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่ตลอดเวลาตามสภาวะแห่งจิตใจของผู้ที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนั้นโดยธรรมดาจิตใจของคน เปลี่ยนแปลงง่ายตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ก็แสนที่จะละเอียดเพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะเขียนออกมาหนังสือเล่มนี้มีความมุ่งหมายสำคัญอยู่ที่จะให้ท่านรู้ว่าการฝึกสมาธิเพื่อการติดต่อกับโอปปปาติกะนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และวิธีฝึกแบบง่ายๆด้วยตัวเองดังที่ได้กล่าวมาแล้ว คนทั่วไปก็อาจจะนำเอาไปใช้ได้และจะได้รับประโยชน์หลายอย่างในระยะเวลาไม่นานเท่าไหร่ถ้าหากท่านตั้งใจฝึกจริงๆการฝึกสมาธิโดยวิธีจูงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากจากผลงานที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติมารู้สึกว่าคนที่เข้าสมาธิในแบบอื่นยากแต่เมื่อมาได้รับการฝึกโดยวิธีจูงแล้วกลับปรากฏว่าเข้าสมาธิได้ง่าย และบางคนก็ได้ผลดีอย่างน่าประหลาดอันที่จริงการฝึกสมาธิโดยวิธีจูงนี้เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้อยู่เป็นประจำตัวอย่างเช่นธรรมเทศนาครั้งแรกคือเรื่องธรรมจักถ้าหากผู้อ่านได้ศึกษาจากสำนวนบาลีอย่างละเอียดก็จะพบว่าเป็นการเทศนาแบบวิธีจูงสมาธินั่นเองในเรื่องอนัตตลักษณะสูตร อาทิตยะปริยาาสูตรก็เหมือนกันการจูงสมาธิหมายถึงการพูดชักจูงให้ผู้ฟังรู้จักคิดธรรมะจากตัวเองซึ่งในขณะนั้นผู้ฟังจะต้องตั้งใจฟังอย่างที่เรียกกันว่าส่งกระแสจิตไปตามเทศนาพระพุทธเจ้าก่อนที่จะส่งเทศนาสั่งสอนใคร พระองค์ได้ทรงทราบถึงอุปนิสัยวาสนาบารมีตลอดถึงสิ่งแวดล้อมของคนคนนั้นมาแล้วอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นการเทศนาของพระองค์ทุกๆครั้งซึ่งประกอบไปด้วยลีลาที่ทำให้ผู้ฟังสนใจอยู่ตลอดเวลาและในขณะเดียวกันนั้นความเข้าใจในเรื่องธรรมะก็ค่อยกระจางขึ้นโดยลำดับยิ่งฟังก็ยิ่งเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน ความเลื่อมใสความปีติจะเกิดขึ้นหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่ทุกขณะตลอดระยะเวลาที่ฟังอยู่จิตใจไม่หันเหไปทางอื่นเลยและด้วยเหตุนี้เองพระองค์จึงสามารถชักจูงจิตใจของผู้นั้นให้ดำเนินไปตามทางที่พระองค์ต้องการจะจูงเข้าไปจึงเป็นอันกล่าวได้ว่าแม้ว่าคนฟังจะนั่งฟังอยู่ในลนักษณะปกติไม่ได้เข้าสมาธิ แต่จิตใจก็จะค่อยๆเป็นสมาธิขึ้นโดยลำดับการจุงสมาธิที่ข้าพเจ้าทำอยู่ทุกวันนี้ข้าพเจ้าทำไปตามหลักเกณฑ์อันนี้แต่นั่นผู้ฟังต้องไม่เข้าใจไปว่าข้าพเจ้าอาจเอื้อมทำตัวให้เหมือนกับพระพุทธเจ้าความเป็นจริงแล้วข้าพเจ้ายังอยู่ห่างไกลกับวิธีการอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงทาได้ ห่างกันเสียยิ่งกว่าฟ้ากับดินอยู่ห่างกันคือข้าพเจ้ายังห่างไกล ย, ยิ่งกว่าฟ้ากับดินห่างกันเสอีกแต่แม้กระนั้นการสอนสมาธิด้วยวิธีจูงดังที่ข้าพเจ้าทำอยู่นี้ก็ทำให้ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจไม่น้อยเหมือนกันลูกศิษย์ของข้าพเจ้าคนที่สามารถหลับในสมาธิและติดต่อกับโอปปาติกะได้ ข้าพเจ้าก็ฝึกให้โดยวิธีจูงตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้การจูงสมาธิแต่ละครั้งถ้าหากว่าผู้ที่ได้รับการฝึกมีจํานวนไม่มากและแต่ละคนมีระดับพื้นความรู้และจิตใจใกล้เคียงกันการจูงจะได้ผลดีมากสะดวกทั้งแก่ผู้สอนและผู้รับแต่ถ้าจะให้ได้ผลอย่างรวดเร็วต้องจูงเฉพาะบุคคล เป็นรายๆหรื อ, อยิ่งมากที่สุดก็ไม่ควรจะเกินห้าคนเพราะตลอดระยะเวลาแห่งการจูงนั้นผู้สอนจะต้องคอยสังเกตภาวะจิตใจของผู้รับการฝึกตลอดเวลาและตัวผู้สอนเองจะต้องเข้าใจธรรมะแตกฉานและจะต้องเข้าสมาธิได้ดีด้วยการจูงจึงจะได้ผลเพราะในระหว่างที่กําลังจูงอยู่นั้นถ้ามีสมาธิดี ก็จะสามารถกำหนดใจของผู้รับการฝึกได้ว่าควรจะจูงเข้าไปทางไหนควรจะพูดอย่างไรถึงจะสามารถจูงใจให้อยู่กับข้อความที่ต้องการจะให้ได้ยินและให้จิตเป็นสมาธิอยู่ได้ตลอดเวลาความยากในเรื่องการจูงสมาธิมีมากแต่ถ้าหากผู้สอนได้ฝึกฝนบ่อยๆและทำอยู่เสมอๆก็จะค่อยๆเข้าใจ และมีศิลปะในการจูงดีขึ้นมาเองเท่าที่ได้เล่ามาโดยสังเขตนี้ความมุ่งหมายไม่ใช่ต้องการจะอวดตัวความมุ่งหมายที่แท้จริงต้องการที่จะให้ท่านผู้อา่านได้เข้าใจถึงวิธีการทำงานของข้าพเจ้าเพื่อความเข้าใจอันดีต่อกันและจะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันและกันและช่วยกันสร้างสถาบันงานประเภทนี้ให้เป็นปึกแผ่นขึ้นมาข้าพเจ้ารู้ตัวดีว่า ข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บุกเบิกทางทางเพราะข้าพเจ้าเป็นคนที่มีความสามารถอยู่ในขอบเขตจำกัดข้าพเจ้าไม่ใช่บุคคลที่เรียกว่ารอบรู้หรือรู้อะไรหลายอย่างและแต่ละอย่างก็เก่งทั้งนั้นข้าพเจ้าไม่ใช่บุคคลประเภทนั้นข้าพเจ้าเป็นบุคคลประเภทเรียนอะไรเรียนอย่างเดียวทําอะไรทําอย่างเดียวและพยายามเรียนพยายามทําให้ดีที่สุดสุดเท่าที่จะทําได้ ข้าพเจ้ารู้ว่าเมื่อข้าพเจ้าวางรากฐานอันนี้ไว้ให้แล้วในไม่ช้าก็จะมีบุคคลที่เก่งกว่าข้าพเจ้าหลายเท่าและเก่งกว่าหลายอย่างจะเป็นผู้มาเสริมงานนี้ให้ก้าวหน้าและแพร่หลายไปทั่วโลกข้าพเจ้าหวังในความเมตตากรุณาจากท่านทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้ามีกำลังสร้างสถาบันอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับในยุคปัจจุบันนี้ให้สำเร็จสมตามความปรารถนา ข้าพเจ้าหวังผลในความริเริ่มมากกว่าความสมบูรณ์ของงานซึ่งจะเกิดจากข้าพเจ้าไม่ได้หมายเหตุซึ่งต่อมาอาจารย์พรได้จัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแคมป์สนที่เพชรบูรณ์ส่วนงานวางรากฐานเพื่อสอนเด็กโดยตรงตามแนวทางของท่านอย่างจริงจังนั้นก็ไม่ทราบว่าปัจจุบันสำเร็จไปถึงแค่ไหน พระส่วนปฏิบัติธรรมแคมป์ส่วนเองภายหลังก็ยกให้กับมหาจุฬาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่สำคัญของประเทศไทยและเป็นสถานที่หลักในการอบรมพระนิสิตรวมถึงพระธรรมทูตแต่ตามข้อมูลก็มีการอบรมครวดและเยาวชนเช่นเดียวกัน